ลลเปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร์อขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไปสสอขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงถ้าจริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่ง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 แต่ละชีวิตย่อมถูกคำประกันด้วยสิ่งที่มันขนขวายไว้อลบยกเวน้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา ت ي ي ت อยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิดมาล อะไรที่นำพวกเจ้าเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาดเราไม่ได้ให้อาหารกับบรรดาผู้ขัดสน และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุมและเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแท น, ตตนจนกระทั่งความตายได้มาอย่างเรา ดังนั้นการช่วยเหลือของบรรดาผู้ช่วยเหลือจะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากข้อเตือนสติประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นต ร, ร, ระหนก แท้ จ, จริงทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นบันทึกยื่นมาให้เขาไม่เลยยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่เกรงกลัววันประโลกอีกด้วยอก ไม่เลยแทย้จริงนั่นคือข้อเตือนสติฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะรำลึกได้และพวกเขาจะไม่รำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรง และพระเจ้าแห่งการให้อภัย